ใช่คุณธรรมลาส่งกันบ้านไหมใช่ส่งหไหมไปหน่อยทผู้อาวุโสก่อนกราบนมสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะได้เห็นคว า, ามหลงบ่อยมากทุกครั้งที่หลงจะมีคว า, ามรอบค่วงเข้ามาด้วยบ้าง <c oughs>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 เราไม่ไปหยุดไปแช่ไปนิ่งอยู่ในภพอันแดหนึ่งจะมาไปสุรินทร์ไปบุรีรัมย์ไปสุรินทร์มาีิก่อนไปทำบ้านอุปชาอาจารย์มีพระองค์หนึ่งพระพระองค์นี้จิตท่านเหมือนไม่ก่อไม่เกี่ยวอะไรมจริงการปฏิบัตินะเราต้องทําต้นทางเราไม่ได้ทําปลายทางทําปลายทางคือเราไปส่งจิตไปดู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 เราไม่ประคองเลยรู้แล้วจบลงที่รู้ให้ได้เลยนะ แ, แล้วก็จะผ่านพบอันนี้ไปได้นะอ่ะคนอื่นคนอื่นใครจะคุยเชิญเอาอ่อยอ่อยน้นๆ้นคุณแม่ส่งมไหม <c oughs> กราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วที่มากราบหลวงพ่อก็ทักบอกว่าไม่เครียดเกินไป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 เราไม่เห็นนะเบื้องหลังมันคือรักตัวเองเราก็รู้อย่างเดียวว่างานเราไม่เสร็จงานเราไม่เสร็จทําไปเรื่อยนะหาทางเมื่อไรจะพ้นทุกข์เมื่อไรจะพ้นทุกข์วันหนึ่งไปเห็นเข้าเราทําอะไรไม่ได้มันเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมอยู่เอาช่างมันเถอะมันได้แค่นี้ก็แค่นี้เนาะเอไม่ดิ้นเลยไม่ดิ้นต่อล้วใจจะหมองหมองรู้ว่ามองไม่ดิ้นต่อว่าทายังไงจะหาอีกล่ะ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 แล้วพี่สาวอยู่เลยป่ะหรือต้องกลับไปเลี้ยงน้องอ<ะ><ไ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องกลับไปวันศุกร์นี้แล้วเจ้าค่ะดีแล้วอย่าลืมตรงนี้แหละแต่ตรงนี้ก็ยังเกินนะเกินจริงอยู่รู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ะยังไม่ใช่ของแท้นะเรารู้ไปยังแต่งอยู่เราแต่งให้สว่างขึ้นนิดนึงให้ให้นิ่งๆขึ้นนิดนึงให้สบายสบายให้โปรงๆอะแต่งให้โปรงๆยังแต่งอยู่นะโป่งๆเนี่ยอเบอร์สบเจ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 ได้ฟังซีดีของพ่อบ้างยังลองฟังนะลองฟังฟังเยอะๆหน่อยการมนศการครับก็ป้าให้หนังสือไปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เคยไปฟังธรร ม, รรมะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือให้เหมือนกับระลึกรู้สึกใจอะไรเงี้ยฮะแล้วคราวนี้เนี่ยแต่เราก็คือคำสอนที่ท่านที่ท่า น, ท, ท, านที่ท่านได้บอกมาเนี่ยก็คือเราก็ปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติไปตามความรู้สึกของตัวเองครับ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 รู้สึกขึ้นมาได้มีไม่มากส่วนมากฟังซีดีแล้วรู้สึก <c oughs> แล้วหนังสือเปนอ่านยากอ่ะให้ใครบ้างนวส ก, การหลวงพ่อค่ะพอดีเคยอ่านหนังสือแล้วก็ฟังซีดีอะค่ะพ่อก็ลองดูจิตตามที่หลวงพ่อแนะนำมาค่ะก็จะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยก็จะหลงเผลอแล้วก็บางทีก็ประคองแล้วก็ <c oughs> เพ่ง <c oughs>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 เรเจออะไรปุ๊บเราจ้องเลยเพ่งทำผิดอีกเพราะฉะนั้นรู้ไม่ชัดรู้ว่ารู้ไม่ชัดอยากรู้ให้ชัดรู้ว่าอยากรู้ให้ชัดนะแค่นี้เองง่ายง่ายสุดๆเลยไม่ต้องทําอะไรรู้ลูกเดียวนะอะอชมพูอ่าเล่นกันครับกนามัสการหลวงพ่อครับรู้สึกว่าตอนนี้เป็นใจขุนๆ น, นะครับใจเป็นมัวๆแล้วก็มี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 สิ่งทั้งหลายไหล e, ออกไปจากจิตนะคือเมื่อก่อนภูไม่เคยเห็นผู้เห็นแค่ว่ามันบังคับไม่ได้ ม, มันเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่มไม่เคยเห็นแบบนี้ค่ะลแล้วก็เห็นว่าแม้กระทั่งการทําสมถะเนี่ยมันยังบังคับไม่ได้เลยเวลาที่เขาเขาลงไปทําเนี่ยก็คือจิตทํำของเขาเองอที่ผ่านมานี่คือทรมานดัดแปลงแล้วพยายามที่จะให้ให้เป็นสมาธิแต่ทําไม่ได้ค่ะ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 ของดีอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นก็เห็นเอาก็เอาได้แล้วไม่เอาเ้าเรียกว่าคนประมาทถูกท่านว่าประมาทนะแล้วท่านว่าแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรแล้วเราก็ไม่พูดนะรีบลาเลยก็ <c oughs> ออกมานี่แม่ฉี่นี่นี่บอกเลยบอกท่านว่าถึงขนาดนี้แล้วบวชเถอะบวชเธอพี่องนี้ได้เข้าไปบอกท่านนาบวชก็บวชนะแต่เราทั้งหมดเรามีภาระเราต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่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 เดินจงกรมนี่เขาเดินกันท่าไหนนะหลวงปู่เดินท่าไหนนะตะคุ้มตะคุ้มไม่เห็นชัดนะคิดเสร็จปุ๊บเดินให้ดูอย่างนี้เลย <c oughs> อ๋อเดินยังไงก็ได้ให้รู้สึกตัวเนี่ย <c oughs> หรืออย่างครูบาอาจารย์บางค์อย่างหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อไปหาท่านวัดป่าสารวัตรวันนั้นมีงานวันบูรพาจารย์หนึ่งธันวาตอนั้นติดกรรมฐานนันนึงไปนั่งถามท่านที่กุฏิท่านท่านพยายามสอนอยู่เป็นชั่วโมง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 ท่านมีปณิธานที่จะสอนพระเวลานี้อ่อนลงมากนะในวงกรรมฐานของพระอ่อนลงมากไปทางอีสานนะคนทางโน้นที่ดูแลวัดป่าอยู่อะไรคุ้นเคยนะบนเลยว่ามันจะขาดช่วงอยู่แล้วดังนั้นท่านทุ่มเทที่จะสอนพระท่านพยายามโบยโยมมาให้หลวงพ่อเนหะ็นเรียกว่าโบยก็ไม่ไม่เพลาะใช่ไหมเรียกว่าแบ่งโยมมาให้เพียงแต่แบ่งมาเกือบหมดนะ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 เคยเอาอย่างท่านนะตอนบวชใหม่ๆไปเดินอย่างท่านล้มเหลวเลยล้มเหลวเดินอยเนูเดินครึ่งเดินครึ่งล้มเหลวลากเก้าอี้มานั่งเลยไม่เดินมันละทางใครทางมันสิวะ <c oughs> นั่งดูเอาเราถนัดนั่งเราก็นั่งพักเพียร น, นะอดทนอดทนต่อการสั่งสอนอดทนต่อการเล่าเรียนฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วสังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆ